เราได้ฟังทำบันเทศสนาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระองค์ได้บุกเบิกทิเวอหนทางที่จะต้องไปสู่ความดับทุกข์เกิดวัคผลนิพพานรลกเราหู้ชนผู้เชื่อฟังคำสอนชนี้ ก็พากันปฏิบ well, ัติชอบตามธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็ง่ายขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพระฤาเจ้าทรงแสดงเราก็รู้แล้วล่าคืออะไร กะเลยเกิดความสะดวกแก่ผู้ที่เดินตามถ้าทำได้สำเร็จเสร็จชื่นถึงกุหมายปลายทางต่างที่ะองค์ทรงสแสดงก็เรียกว่าพระสงฆ์อริยสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ตามพิพุทธเจ้าหมายถึงหมู่ชนพวกเราถ้าทปฏิรูตามาอย่างนิรวา เป็นพระอาเรียบคุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งหมายชีวิตของเรานี้เหมืนอนกับว่ามีหวังดากไปในเดินก็จะเห็นแล้วเห็นกระแสเห็นเส้นทางเวลาทุกข์ก็เห็นว่าน่าจะไม่ทุกข์ก็มีถ้ายังไม่ได้ทำกับความทุกข์ ก็พอจะมองเห็นกระแสแบบนี้ได้ยิ่งพวกเราได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติได้กระทำลงไปจริ ง, งๆกับที่พระองค์ทรงสแสดง<ๆ>ก็ยิ่งเป็นเลนเป็นตาที่เป็นกรรมที่เราได้สัมผัสความหลงสัมผัสกับความรู้สัมผัสกับ อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับป่ากับใจเราเราก็ได้เห็นได้เปลี่ยนได้กระทาบางทีเราเปลี่ยนหลงเลยเป็นลูกบ้างแล้วจนฉันไม่ํำนาญทุกก็เปลี่ยนไปไม่ทุกบ้างไบ้างแล้ว ก็เป็นทางที่รอยที่เราได้เดินไปมีรอยในใจเราก็จะง่ายขึ้นเมนกับรอจะเริ่มสติเถิดใหม่ๆอาจจะง่ายที่จะหลงพอเถกไปเึกไปก็ง่ายที่จะลูกขึ้นมาได้เป็นทางไป เ ป, เป็นทางดำเนินไปถ้ า, าไม่โทษไม่ถอก็ถึงกุดหมายปลายทางได้ในการปฏิบัติในชีวิตนี้นเป็นการกระทำลงไปจริงเวลานี้เราก็มากำหนดนนเราได้กำหนดธว่าฐานเข้มสี่สิบวันก็ชื่นสดลงวันนี้ สามสิบวันที่สามสิบวันนี้แล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบพุธเสาร์ถึงวันที่สามสิบม่ถุนากหนะ้าโงทนาพวกเราที่มีความภาคเพียนมีความใส่ใจมีความเชื่อใดว่ากระทำจริงๆงเราได้มากระทำแค่ น, นี้ไม่หนีไปไหนการกระทำ เป็นกรรมที่จำแนกชีวิตของเราไปเองแม้วันนี้ข่าว น, นี้ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรมันก็เป็นกระแสให้เราได้สมัมผัสบ้างแล้วอะไรที่มันมีในการในใจอธิดแสดงออกมาให้เราให้เห็นในเวลาเราปฏิบัติเราได้ทำอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อาการต่างที่เกิดขึ้นไปกับใจเราแล้วก็จะทำบ้างแล้วได้เย็นคำพูดจากหลายชีวิตว่าเห็นความคิดตัวเองไม่ได้ไปอยู่ในความคิดไม่ได้เข้าไปในความคิดเป็นผู้เห็นมันคิด เห็นเหมือนทุกเห็นอาการต่างๆถ้าเห็นแล้วก็หลุดพ้นได้ช่วยตัวเองได้ถ้าเป็นแล้วหลุดพ้นไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ว่ากรรมที่เราได้ทำลงไปต่สัมผัสไม่ใช่เรียนรู้อาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีมาก เป็นกิเลสพันห้าตันหารอยแปดอะไรต่างๆมากมายแต่มันปีหน้าจะคือผ่านทห้เห็นให้มีความรู้สึกตัวถ้าเรามีความรู้สึกตัวเหมือนกับตรวจทัดหงลงจรนหรืออะไรเก็บข้อมูลเอาไว้ได้เห็นได้รู้มัน อ่า ไ, ได้รู้ได้เห็นก็ได้หลักใต้ฐานเพื่อเจียวค้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นออกไปกับใจเราอย่างถูกต้องบางทีก็หลุดพ้นได้เป็นการหลุดพ้นแบบใดแบบหนึ่งไม่ใช่เด็ดขาดก็ยังดีเห็นความหลงไม่หลง แม่หลงข้างที่ใดก็ไม่หลงเรายังมีความหลงอยู่ก็ไม่หลงพอมาเกิดขึ้นมาเวลาไดอันนี้ยังไม่เด็ดขาดถ้าทำไปทำไปกว่าจะเด็ดขาดหลงได้ท้กวันใดวันหนึ่งเหมือนพระพุทธเจ้าได้แสดงว่าไม่กำเริบอีกแล้วเป็นข้างสุดท้ายแล้ว ความหลงขั้าสุดท้ายความทุกข์ขั้งสุดท้ายปัญหาเต็นปัญญาไปหมดหลุดพ้นไปหมดปฏิบัติ ร, รมเนี่ยจุดม่งหมายไปทางคือความหลุดพ้นไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิไม่ใช่าใชยานทัศนนะไม่ใช่ความรู้ ไม่ใช่แล้วเบียบอะไรที่มันเข็งคัดหมายถึงความหลุดพ้นไปจุดหมายปลายทางเรียกว่าธรรมวินยัยธรรมวินัยคือความหลุดพน้นไม่ใช่วินัยที่เป็นการแสดงออกเข็งคัดในท่าทางต่างๆอันนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ธรรมวินยัยที่พร ะ, พระทหงทรงแสดงนี่ เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องทำวิไนเหมือนบัญญัติขึ้นมาแต่เรามีสตินี่ก็เป็นการได้เรียนได้เป็นภาคปฏิบัติพ้นจากสิ่งที่ก อ, อยากวิไนสำหรับบังคับคนที่เก็ออยากชีวิตพกษุสูู้เก็ออยากสอนอยาก เอาไว้ไหนบังครับเราก็ไม่ได้เกอ้อยากมาจากไหนมีศรัทธาจนมาอยู่ร่วมกันนอนในเต้นนอนในดินนี่ไม่ใช่คนเกอ้อยากมีสติเนี่ยนี่แหละคือทำไม่้วินใดจุดหมายปาทางความหลุดพ้นเราอาจจะไม่รู้อะไรมาปฏิบัติ ไปเลยก็ <ไป S 1> คือว่าถึงวัตถึงขนได้มีสติเป็นหน้าลอบว่าเป็นวิในอยู่แล้วมีสติเป็นหน้าลอบไม่เผลอเหมือนพระกินสุกคือเพลังหันผู้มีสติเป็นวิใน น, นี่คือวิในธรรมวิในที่นำไปสู่มอบขน พวกเราก็มีได้แต่มีสติก็มีวิัยแล้วมีนหน้ารอบแล้วเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับปากับใจมาผิดให้เป็นถูกมาทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์หรือว่าวิในนำไปสู่จุดหมายปลทางที่วิเศษ ความหลงไม่วิเศษความไม่หลงวิเศษกว่าไม่ถูกต้องความหลงความไม่หลงถูกต้องกว่านี่รียกว่าทำมาวินัยที่เราได้ทําอยู่นี่ปฏิบัติตามทำวินัยจี่นาไปสู่ความหลุดพ้นได้จึงเป็นเลนเป็นตา ในการกระทำของเรากรรมที่การกระทำนี่จะแมกไปเองไม่ใช่การวัดเวลาชีวิตอ้อนบอลขอจากใครเป็นการกระทำของชีวิตเราจริงๆได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวได้เห็นทำเป็นแล้วอาจจะง่ายขึ้นเวลาใดที่มีอะไรเกิดขึ้น ความรู้สึกตัวง่ายๆไม่ต้องไปยกมือสร้างจังหวะก็ได้ไม่ต้องไปนั่งหลบหลีบหีกนีไปไหนก็ได้มาทันทีมาไวไวไวก่อนแต่อะรทั้งหมดสตินี่ที่เราฝึกมาไวถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรมาเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เป็นปกติ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจที่นันผิดปกติก็สติก็มอไว้ยที่ไม่ปกตินี่แปลว่าเป็นทําให้เป็นทําเป็นแล้วไม่ต้องไปทำอะไรอีกนี่ว่าอาเศัขะไม่ต้องทำอะไรอีกเป็นอัตโนมัติเป็นประมาท ความเท็จความจริงความไม่จริงมากระพ้อมกับความจริงความทุกมาการะพ้อมกับความไม่ทุกความผิดมาพ้อมกับความไม่ผิดนี่คือเรียกว่าทำเป็นาละ่ายเป็นดีคือปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตไม่ได้หนีจากที่นี่แล้วหยุดไม่ใช่ นี้จากที่นี้ก็ไมไ่เกี่ยวข้องกับที่นี่มันเป็นชีวิตของเราไปอยู่ที่ไหนก็คือปฏิบัติธรรมเปลี่ยนล้ายเป็นดีอยู่เสมอเปลี่ยนผิดเป็นถูกอยู่เสมอทาไม่ลงที่เป็นความผิดความทุกข์ทำไม่ลงไม่มีที่ให้ตั้งไม่มีที่อาศัยไม่ให้ค่าเราได้เห็นแล้ว ได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้พบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นถ้าเป็นบุญก็เห็นแล้วคือรู้แล้วบุญคือรู้ไม่ใช่มืดไม่ใช่บุญคือไปเอาบุญเป็นข้างแบงค์ข่าวตามการลีดไปเพนีบุญในชีวิตของเรามีตลอดตูด้เห็นตามความจป็จริง บาคือไม่รู้มุนคือรู้ทุกก็มันไม่รู้ก็รู้คือไม่ต้องทุกถ้ารู้คือไม่ต้องโกรธต้องโลภต้องหลงท่องมีปัญหาอะไรถ้ารู้ถ้าไม่รู้ต้องหากมันจึงเป็นอย่างนั้นมีภาวะที่รู้กับภาวะที่ไม่รู้ภาวะที่รู้ก็ไปทางหนึ่งภาวะที่ไม่รู้ก็ไปทางหนึ่งต่าง ต้นทางมีสองสอ ง, สองอย่างเท่านี้เหมือนพระพิจ้าทบทวนหลังกัดการตัดฉลูได้อาทิตย์แรกทบทวนเรื่องสองอย่างนี้เรียบว่าปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับสายไปสายกลับมีเท่านี้มีรูมีห ล, ลงหลงกับปใกล ชาติเป็นชะลาโมนะโศกปริเทวทุกก็ไม่หลงก็หยุดไม่มีชาติจบแล้วไม่ไปไหนแล้วนิ่งแล้วพอดีเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เจอสองอย่างนี่พอดีมีสติก็เห็นความหลงความรู้ความหลงพอดี มีรูมีหลงพอดีทำกำหนดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้งมงมเงสาๆจับถูกทันทีรูที่เกิดรู้ที่ดับทันทีแล้วทาตามที่พระเจ้าทรงสแสดงในวันที่พระเจ้าได้ตัดสั้รูพระองค์ก็ตามแบบนี้กู้แขนเข้าเหยียฉแนออก ผู้แขนเข้ากมีสติอย่าแขนออกมีสติอะไรที่ไม่ใช่สติมันจะมาให้เห็นจะเป็นรูปทั้งนั้นใช้ได้ถ้าได้เป็นความรู้สึกตัวมันก็ใช้ได้เป็นโตเฉลยปัญหาทั้งหมดมันก็ตรงกระามหลง เรื่องลูกมีอนเดียวความหลงมีหลายอยา่างถ้าหลงเราไปไกลพอ<ป>แล้ ว, ลวชีวิตของเราเป็นกรรมือหนึ่งแล้ ว, ลวเอาไปใช้เป็นหลักแล้วไม่นนไหนีไปไหนไม่อยู่ที่ไหนไ<ป>ควมรู้สึกตัวไม่ได้อยู่ไม่ได้ไ ป, ไปมันเป็ น, ปนชีวิต<ป>ทั้งหมด มีกายมีใจมีรูปมีนามนั้นก็เป็นความรู้สึกตัวไปนในกายไปนในใจนี่ถ้าไม่มีกายมีใจมันก็สุดมันก็แล้วก็ไปเรามีกายมีใจเราก็ใช่กายใช้ใจอย่างปลอดภยัยไม่มีภัยในกายในใจอีกเรียกว่าพระอายะบุคคลวัฏ ร, รตนตาย อริยะแต่ว่ า, ากลจจะข่าศึกไม่มี็ัยอีกแล้วกายใจของเราเนี่ยแล้วก็เหงือทุกอย่างเป็นมาตรฐานของชีวิตได้ชีวิตเพราะไม่เป็นอะไรกับอะไรมีสติเป็นหน้าโลกเป็นเจ้าของเป็นใหญ่เป็นสติอินทรีย์เป็นใหญ่ในชีวิต แต่ก่อนนี่ความโกรธความโูกความหลงความรักความชังความโสมโมโหัเป็นใหญ่แม้แต่ความคิดก็เป็นใหญ่ในชีวิตเราให้พาให้เป็นสุขเป็นทุกข์ได้หัวความคิดมบบนีมีสติเห็นมันคิดเนี่ยคิดที่ไม่ตั้งใจคิดที่ตั้งใจทำให้ถูกทั้งสองอย่าง มันจะไปไหนมีสติเป็นใหญ่สติอินทีเป็นใหญ่แ้วก่อ น, นี่ตาหูจมูกดล่้ยงกายใจก็เป็นใหญ่ตาตาไม่เป็นใหญ่แบบไหนกายวาจาใจก็ไปหมดไปตามตาถ้าหูเป็นใหญ่กายวาจาใจก็เป็นไปตามหู วันนี้สติอินทรีย์เป็นใหญ่จับตามาใช้จับหูมาใช้จับจมูกลิ้นกายใจมาใช้ให้สาเร็จถูกต้องเป็นตัวหลักเป็นการปฏิบัติที่สะดวกไม่มีปัญหาเพราะ ความหลงความหลงถ้าไม่เกิดปัญหาถ้ามีสิทธิ์ควมรู้จึกตัวปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นมาได้มาก็เป็นดีได้ผลเรียนมาทีไรก็พัฒนาความหลงเป็นการพัฒนาความทุกข์ก็เกิดการพัฒนาความโกรธก็เกิดการพัฒนา มันพัฒนาลลยเป็นดีหรือว่าพัฒนาวัฒนาดีขึ้ น, นอายณนะเสื่อมลงปล่อยทิ้งมาได้ความเสื่อมในชีวิตนี้อันที่เกิดเป็นบาปเป็นอกุศลปล่อยทิ้งมาได้เอาใจใส่เรือว่าใส่ใจเพียรมากเพียรประกอบเนาะความชัว่วเพียรประกอบทำความดี ไม่มีเพียนตรงไหนที่ยอดเยี่ยมไปกว่าเพี้ยนละความชั่วทําความดีจะมีสติน ะ, ะตื่นรุ่นมากขุดคุย้ะมีทุกข์ปล่อยทิ้งไปได้เอาให้หมดเรี่ยงไม่กําำลิบทุกข์ไม่กําำลิบแต่ทุกข์ไม่กำลิงชาติก็หมดเท่านี้ ชินชาติชินพบชินชาติาตไม่เกิดอีกแล้วเพราะไม่มีภาวะที่หลงทนให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาทำได้ทุกชีวิตถ้าเรามีสติก็เหมือนกับว่าอยู่ในเอื้อมมือมีความมั่นใจแค่นี้เอง ในระหว่างท่านเรามีสติเห็นความหลงแค่นี้เองเห็นความโกรธแค่นี้เองเห็นความทุกข์แค่นี้เองไม่ภาษีภาษาอะไรเป็นอาการที่คิดจ้อยเกิดขึ้นกับกายกับใจเราไม่ใช่เป็นหลักเป็นใจอะไรมันจรอนมามันเป็นอาการอันนั้นเท่านั้นเองแต่ก่อนเราไม่รู้มันใหญ่มากต้องวิ่งไปตามมันพอมีติตรู้ขึ้นมาเนี่ย ก็โทษันมีอำนาจมันมั่นใจมันชูชูพลังขึ้นมาพ ล, ลังที่ได้จากสติได้เห็นความหลงเป็นความไม่หลงเนี่ยมันยิ่งใหญ่เป็นพระเป็นกำหลังมีศีลมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญา พันหลังที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยสติมาช่วยปัญญามาช่วยความภาคเพียรมาช่วยศรัทธามาช่วยไม่ล่มเหลวศรัทธาเข้าหน้าศรัทธาสัมปยุทธศรัทธาไม่ทอดถอยผิดไม่ได้ยดของเราทุกไปได้พูดคุยออกให้หมด แต่เรามีสติในมันเป็คเครื่องมืออำนาจที่เป็นเครื่องมือใช่ครับชีวิตของเราให้ได้ชีวิตเครื่องมือพัฒนาชีวิตความหลงของโกรธความทุกข์ไม่ใช่ชีวิตก็มไม่หลงก็มไม่โกรธก็ไม่ทุกข์คือชีวิตได้ชีวิต ขึ้นมาเพราะปัญหาต่างๆ ใ, ในชีวิตที่หว่าไม่ใช่ได้ชีวิตยืนได้เดินได้นั่งได้นอนได้ไม่ใช่ชีวิตแบบนี้ชีวิตแบบนี้มันเกิดจะเจบตายรูปนามนี้มันเกิดจะเจบตายมันไม่เที่ยง ชีวิตที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมชีวิตที่ตั้งต้นให้กำเนิดเกิดขึ้นโพธิหน่โพธิความรู้สึกตัวมาเห็นเห็นความหลงเห็นอะไรต่างๆอาการต่างๆเกิดขึ้มีสติข้เกิดที่เกิดของกำเนิดเกิดขึ้นหนึ่งของของชีวิตชีวิตแบบไม่ชีวิตที่เหนือเกิดเจ็เจ็บตายคือไม่เป็นอะไรกับอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเดี่ยว ก็เป็นจุดหมายปดทางของเราถ้าคนมีสติก็เห็นกับเสออย่างนี้แน่นอนไม่หลงแม่หลงก็จะไม่หลงในครั้งใดครั้งหนึ่งถ้ามันจนเข้ามาจะ ก, กระโดดได้ถ้าคนมีสติกระโดดทลาได้กายอาจจะถึงสุดยอดเลยก็ได้ หลัการปฏิบัติก็มีจริงในชีวิตเรานี่นะอย่าท้อเท้ว่ามาปฏิบัติไม่รู้อะไรไม่ใช่ไม่รู้อะไรอย่างน้อยก็มีสตินี่แหละต่าง ก, กันกับความหลงอยู่เห็นทิศทางแล้วเห็นฝั่งนี้เห็นฝั่งนู้น ถ้าจะเปรียบเหมือนกับเราอยู่ในห้วงน้ำยังมองเห็นฝั่งไม่ใช่อยู่ในน้ำอยู่บนฝั่งต่างหากถ้าไม่เห็นฝั่งหมายคือมัมีความรู้สึกตัวอะไรนี่มีความรู้สึกตัวเ็ราไม่เห็นฝั่งช่วยให้เราได้ขึ้นง่ายถ้าเห็นขึ้นง่ายงายแต่ถ้าเป็นเราขึ้นยาก ทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงขึ้นยากตัดิแต่พาให้เห็นเป็นการเทียบท่าขึ้นง่ายๆถ้าได้เห็นแล้วก็ไม่เป็นง่ายที่สุดถ้าเป็นเราจะให้ไม่เป็นนยากนั้ น, นเคยพูดอยู่เส ม, มอว่าชีวิ ต, วตเหมือนกับสายหาดพื้นเต็มมหาสมุทร เจะขนาดไหนซ้ายหาดไม่กระทบกระเทือนไม่เหมือนฝังชีวิตที่เป็นสุขเปทุกข์ชีวิตที่เป็นฝังกระทบกระเทือนมากพังทลายไปแต่ชีวิตเป็นชายหาดไม่มีฝังลอบเรียบไม่กระทบกระเทือนกับ โลภคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส อ, อารมณ์ ต, ต่างๆเรียบคือเห็นมันทําให้เรียบง่าชีวิตเรียบเรียบไม่กระทบกระทือนเห็นไม่เป็นไม่กระทบกระทือนเป็นมาสถานของชีวิตชีวิตแบบนี้ชีวิตเหนือกลางเกิดแก็เจ็บตายไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่เราจะ เอาความเจความเจ็บควาคตายเป็นโจ<อ>์ต้องผวาอยู่เสมอนั่นเป็นของเป็นอาการธรรมธรรมชาติไม่ใช่ชีวิต จ, จริงๆรงปเอาชีวิตไปห้อยไปเฉรรีนไก้ไกับอาการเหล่านั้นถ้าเรามาศึกษาแบบนี้ <S 2> <S 2> มันจะเห็นเจ็บก็เห็นมันจเจ็บ ที่ก็ไม่ต้องอาศัยมันแม้กระทั่งลมหายใจก็ไม่ต้องอาศัยมันถ้ามันจำเป็นที่ไม่ต้องหายใจจริงๆจำเป็นที่หายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องอาศัยมันชีวิตเราอีกกัางหากมันอยไไู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปที่ไหนมันเป็นเหนือทุกอย่างราวะที่ไม่เป็นเนี่ยที่มีสติเนี่ยมันเหนือทุกอย่างนะไม่ได้ต่ำอะไรที่มาทับถมได้ ไม่มีอะไรที่มาสมมุติเหมือนหยัดได้เหนือสมมุติเหนือญญหมือนหยัดเหนือวัตถุเหนืออาการต่างๆมีแต่ปัญญาลุน่นๆความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เหมือนพรุทธ อ, องค์ได้แสดงเมื่อกี้นี่ว่าต้อง ม, มีปัญญาลู่เห็นตามความเป็นจริ ง, รงมีปลญวัดสามมีอาการเจบสอง ในหลักอริสัจสี่จึงได้อุทานจึงได้ช่อว่าได้ตัดสู้เพิ่มเฉพาะหน้าแล้วมันก็เห็นอยู่จริงๆอย่างนี้จะให้เป็นอย่างไรแต่พอที่เป็นมันเหนือมันเรียบมัน ปานี้มันสุก ข, ขุมมันรอบพอ่อเราว่าที่เป็นเนืองกระตุกกระตอเก็บปวดกระทบกระเทือนมากตันเรียบเรียบเลยเป็นชีวิตที่เป็นพรมชรติบริสุทธิ์เนี่ยความบริสุทธิ์หมดจุดจุดหมายปลายทางของพรมชรต์ของพุทธศาสนาไม่ใช่ลาบสักระไม่ใช่ศีลเพื่อไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ ควมรูย่อนทัศนะรูอะไรมากมายใช่มันเป็นความหลุดพ้นุกอย่องที่เกิดกับมากับใจเนี่ยการหลุดพ้นแบบนี้ไม่ใช่ไปขนขวยเรื่องใดมันง่ายง่ายเห็นไม่เป็นง่ายง่ายมันมีให้เราเห็นอยู่ที่เกิดกับมากับใจเนี่ย เอาไปใช้เอาไปดูเอาไปพัฒนา้ามีความสุข ก, ก็บอกกันถ้ามีความไม่เป็นอะไรก็มาบอกกันแบ่งปันกันจะมีความทุกข์ก็ต้องพัฒนาถ้ามีความสุข ก, ก็แบ่งปันกันที่มันไม่เป็นอะไรแล้วสุข ก, ก็เป็นสมมติปัญญะเป สุแบบองอามิตสุขใดธรรมก็มีเหมือนกันแบ่งปันกันแต่ความทุกข์นี่ต้องพัฒนาอย่าปล่อยทิ้งพัฒนามันไม่ใช่พัฒนาวัตถุสิ่งของอย่างเดียวถ้าพัฒนาทุกข์กันเปทุกข์กันไปมันก็ไปถึงวัตถุสิ่งของด้วยไปไกลด้วยดีไปหลายอย่าง ถ้พัฒนาความหลงไม่ให้มันหลงนมันก็ไปคุ้มครองอีกหลายหลายอยา่างถ้พัฒนาความทุกข์ไม่ทุกข์ก็เป็นสิ่งที่คุ้มครองอีกหลายอยา่างพัฒนาความโกรธให้เป็นความไม่โกรธก็คุ้มครองอีกหลายอย่างมีเมตตากุณาเกิดขึ้นในขณะที่ความพัฒนาความโกรธให้เป็นความไม่โกรธเมตตามมกุณาเกิดขึ้นมายิ่งใหญ่ไพศาลไม่ปล่อยการทิ้ง ไม่เบียดเบียนช่วยเหลือในขณะที่มันเปลี่ยนลายเป็นดีมันเกิดเป็นความดีอะไรมากมัเป็นประโยชน์เพื่อกูลในโลกต่อสุขสบายชีวิตของเรานี้มันมีค่ามากมือห้านิ้ว10บนิ้วนี้ ถ้าเราไม่พัฒนาความหลงความโกรธความลายเป็นความดีก็เป็นทุก เ, เป็นโทษไม่มีประโยชน์เป็นโทษตัวต่อเราเป็นโทษต่อคนอื่นสึ่งอื่นวัตถุอื่นเช่นเดียวกันต้องอาศัยกันแล้วพวกเราต้องปฏิบัติทำกันแล้วทุกวันนี้ ถ้าจจะเรียกว่ามันจะเลินนะไม่ใช่เสื่อมนะเขาไม่หลงกันแล้วคนในโลกนี่เขาไม่โกรธกันแล้วเขาไม่ทุกกันแล้วเมื่อหลงไปหลงไม่โกรธไปทุกป๋ายไปช่วยกันเราก็เป็นสัตว์สังคมช่วยกันมีผัวมีเมียมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลาดเอาคขาไม่หลงเอาไม่โกรธเขาไม่โกรธไปช่วยกัน คนตื่นยังหลงอยู่คนตื่นยังโกรธคนตื่นยังทุกข์อยู่ต้องเป็นงานของพวกเราใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องนี้ลองดูสิถ้าคนพ<น>่อเมียหรือผัวเมียเราเขาโกรธเราหัวเกิดโกรธเมีย เ, เมียต้องช่วยดูสช่วยให้คนหายโกรธช่วยไม่ยาก ถ้าเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาเขาทุกข์เลยอาจจะยากกว่าทุกข์มีหลายอย่างถ้าเป็นทุกข์ที่เกิดจากทุกข์ตัวสมถะสุขสงขันทุกข์บุญแตกเลยง่ายง่ายง่ายอย่าปล่อยกันทิ้งแล้วก็ปล่อยทิ้งไม่ได้ผู้ที่ไม่มีทุกข์เดคนทุกข์เยปล่อยทิ้งไม่ได้ ไม่ช่วยวิธีใดก็ช่วยวิธีหนึ่งทุกที่เป็นสมุทัยเป็นตัวสังขารบอกทิศทางไว้ก็ได้โชอะไรก็ได้มีเครื่องมือโชร อ, อยหยาเช่นพระพุทธเจ้าโชไออารียมรให้ดู ทางที่ผิดสองทางกรรมจุขานิการโยโคอัฏฐกิมมัานโยโคทางที่ผิดไม่ควรเสรีบไม่ควรข้องแวะเมื่อโชวเมื่อเมื่อขี้ทุบเจ้านั่นแล้วโชว์อะไรอะไรบักบางทีเลยแล้วก็เห็นคนโกรกก็ชูอะไรที่บางจะให้เขาไม่โกรกหรอก แสดงออกหลายอย่างได้ไม่จนคนที่โกรธเขาจนะเขาจึงโกรธเขาหลงเพราะเขาไม่หลงเขาเป็นโกรธมเยอะแยอะอืมเป็นสิ่งที่ช่วยกันนี่เกิดมาช่วยกันนี่จริงนะคนเราเบียดเบียนกันไม่ลงเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่มันเป็นทุก ชีวิตของคน ม, ม่การเกิดแจเจ็บตายไปฆ่าไป <Okay. S 1> ทำให้กันเป็นทุกข์เกิดเจเจ็บตายทำไมมาช่วยกันนะ่น่าสงสารกว่าสัตว์อื่นยึดของคนเราเนี่ยบา บ, บางไปในจิตวิญญาณก็บอ บ, บางจน แ, แต่คิดเฉยๆก็เป็นทุกข์ ควมคิดกระบายหลงได้ความคิดไปโกรธได้ความคิดไปทุกข์ได้ความคิดไปสุขปรุงแต่งก็งงได้เพราะมันเกิดจากสังขารมันเกิดจากวิชาคือไม่รู้เราจึงชูวิชาคือรู้นี่บางทีก็สัมผัส เหมือ น, นกับเราไปดูแลคนป่วยเวลาสุดท้ายห้องไอชียูไม่รู้อะไรแล้วก็ไปโชว์ไปตะโกนทักท้วงโชว์อันที่บันดีอะรหังสมบัพุทธังพระกวน ทังอัศรนังขจามิตเขกไปโกกขกไปทั้ ง, งมัณคังขจามิสังครังสัรนังขจามิให้เขาได้ยินโชดูเชนอันนี้คนเป็นๆผัวเมียกันโกรกกันเป็นๆนนมันยิ่งยิ่งง่ายนะมันจะได้สติขึ้นมาหรือเอามือไปเคาะไปบีบไปนวดลูก น่ารูปตานวดคอนวดแขนจับขาจับเท้าเป็ยังไงเป็นยังไงลองดูสิมีใครในโลกนี้ถ้าหัวโกรดรีบไปจับมือนวดจับเท้านวดเป็นอะไรเป็นอะไรพอเป็นอะไรแม่เราดูสิทำได้ทำได้ไม่ใช่ปล่อยกันทิ้ง นะยกมือไหวก็ได้เห็นคนโกรธค น, คนที่ถูกดา่ายกมือไหวมีบ้างไหมไอ้ขี้ทำได้ไหม <laughs> ยกมือไหวบางทีก็ไหวหมา <laughs> เห็นคนไหวหมาก็มีหมาวิ่งมาใส่นั่งหลงไหวะ ม, มาไม่กัดนะ <laughs> เอ็ดไม่ชี่ไม่ชี่ไม่ขี่ไม่ชี่อะไรมาไหวงูจงอานอยู่เนี่ยเดินปอบปอบปอบไปทางเนี่ยตั้งกติท่อนจะท่อนไปก่อนเป็ป่าหญ้าคาเดินแยกมาทานั่นเดินปอบปอบปอมาเจอกูจกรรมชูคอขึ้นทั้งหมูไม่ขี่เขานี่ยก็นั่งลงยกหมูไหวเลยโคงูทั้งหมดงูก่ นีไปเลยบางทีการยกมือไหว้ก็ดีนะถ้าคนเดียวไหว้คนชั่วใดก็คือไหว้ตัวเราไม่ใช่ไหวเขาใจเรายังดีอยู่ยกมือแสดงออกยังไม่โกรธใจลงดีไหว้ตัวเองไม่ใช่ไหวคนโน้นไหว้ตัวเองไหว้คุณธรรมไหว้ศีลไหว้สมาธิไหว้ปัญญา ไหวคุณ้มความดีไหวพระพุทธเจ้าก็ได้เชื่องมือที่เราจะไปช่วยกันเยอะแยะเลนะไปเถอะพระพุทธเจ้าเคยสั่งสอนพิกสุในข้าวต้นต้นให้ไปบอกไปสอนไปช่วยคน จะละพิกกะวัยจาริกังภูจันะาหิทายาภูจชนดาสุขายะโลกานุกรรมปายะไยพิกษุทั้งหลายไปพิกษุไม่ใช่ทั้งหลายพวกเรามีน้อยไปคนละทางนะไปช่วยคนช่วยทุกอย่างที่มันไม่ดีอย่าไปทางเดียวกันแยกจากันไปเด้อเราก็จะไปโนนคงเราจะคึบ พวกเธอไปแถวนี้ตามนแถวนี้แถวปลาสีหรือแถวไหนก็ไปแยกคางกันไปเพราะเราก็กลับไปบ้านไปอยู่กับลูกหลานเอาอะไรบอกไปสอนเขาบ้างพูดยังเขาฟังบ้างทำให้ดูบ้างอยู่ให้เห็นบ้างเจนให้สัมผัสบ้าง เย็นเย็นให้เขาได้สัมผัสคนเย็นในี่สัมผัสได้นะอยากเข้าใกล้อุ่นอกอุ่นใจทำได้หอดวันนี้ก็เป็นวันทุท่าเห็นใะแล้วก็ก็มีคนเอาพระธาตุวางให้เยอะแย ะ, ยะว่าจะพระธาตุเขาจะถูกเสียมาสมัจจักตอน จอนชาวเศษให้พวกเรารวมกันก็นกดีให้รู้จักว่าเออนี่เป็นเสยมายธรรมจักเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นจักธรรมที่เราสวดเมื่อกี้นี้ทำให้เป็นไปแล้วตบันจักก็มีจริงๆในอริสัต4สี่มีปัจจัยสา 3, มมาการ12บสอง มีสิบสองขี้ถ้ามีไปอย่างนี้ก็เหยียบย่ำความทุกข์ความโกรธความโลภควงหลงขโง่หลงออามห ม, มายหมดเรียบไปเลยเอามาจักหมุนไปในหัวใจของเราเนี่ยเหยียบย่ำสิ่นนี้หมดไปเพราะว่าเห็นแจ้งตามพรามเป็นจริจงจะดีไหมตอนตอน ฉันเช่าเฉลี่ยวตอนนี้เลย <c oughs> เอาตอนฉันเช่าเฉลี่ยวไหมไอ้าจาย์าโนนกไอ้าจาย์ตุ้มอ้าจาจนทองศิลเป็นผู้เอาไปใส่เอาวันไรไปเทียบขึ้นแล้วก็ยืนขึ้นเอาใส่เท่านั้นในสถูกเสีมาเอาทำอะไ ร, รจักเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะ เอาไปเสด็จตุภูมิก็ได้เนาวันนี้เราสมควรเก็บเวลาญาติโยมที่จะก็สมาทา น, นสินก็ถ้าจะกลับบ้านก็ก็สมาทานสินให้ซะว่าพร้อมวันนโมพร้อมกันถ้าจะกลับญาติโยมนโมพร้อมกัน น้าโมราดังๆถ้าจะกลับนะ สีเล่นสุขติงันติทีเท่เร่นะภูกะสมปธาสีเดนีนิพพติันติตัตสมัสีรางวิโสเถรยเ่ลาดูสิท่านลุกเ ข, ข, ขาขึ้นเนียจอมที่กลับบ้านลาดูสิท่นานตถานียังพันติ อาปุชามาพระจิตจารพหมว้เบ้ากรณียาตาตาทานจมแหกาลังริจาหาทุพันเตอา่าไปดีมาดีแด้อันทานิเพกเบอาปุชามาโหจิจารข้าพเจ้ามีภาละมาก มีลูกมีหลานมีผัวมีเมีย ม, มีงานมิการจะกลับไปทำหน้าที่เอาขอีจ่าเผกรณีท่านทายหลังพ่อก็บอกว่า<ม>ไปดีนะอะาวาพันเตอย่าไปทลาะกันนะอย่าไปโกรธไปเครื่องอย่าไปทาให้ใครทุกข์เดือดร้อนเพ่าเราเด้อนี่ระหว่ารับในลากันเราได้บอกกันแล้วนะ ไปเถอะเอาเอากลับพระพองก่อนนะ